3. ปัตตวัคหนปัตตะศิขาบท 44. ถามพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทรงอติเรกบาตรไว้เกินสิบวันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีทรงอติเรกบาศในปัตตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติมันดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานคือหนึ่ง